ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องศีลบารมีตามที่ท่านที่จริงท่านจำแนกแสดงไว้ในศีลนิเทศนะในวิสุทธิมรรคแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจแล้วก็เราเองก็ต้องเดินทางไกลนะ พอทลองอเนื้อหาสาระที่ท่านวางไว้เนี่ยเรยังห่างเป้าเยอะเลยจะต้องเดินทางไกลอีกเยอะในข้อต่อไปในชุดต่อไปในหมวดต่อไปก็แล้วกันนะฮะาตแบ่งเป็นทั้งหมดนี่หกหมวดด้วยกันก็หมวดที่สามเนี่ยก็อบอกว่าป a r a m a t t h i i คือศีลอันตนหาและทิฏฐิจับต้องแล้วหมายความมารักษาด้วยอำนาจตันหาหรือด้วยอำนาจทิฏฐิ ในการมีคนอตั้หานั้นก็คือว่ามองศีลเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆก็พูดง่า ย, ายๆว่าพวกกรมคุณทั้งหลายนั่นแหละอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอาจจะเป็นลาภยศสันเซิญหรือว่าอาจจะเป็นสวรรค์ก็แล้วแต่ว่าตนพอใจในเรื่องอะไรก็ปรารถนาสิ่งนั้นซึ่งว่าที่จริงไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคือระดับของโลกก็เป็นอย่างนั้นเนีย่ยจะทำอะไรก็มีเป้าหมายอย่างที่ ดูเหมือนจะเคยเล่าถึงอุบาสิกาชื่อปฏิป ป, ปุจิกานะ ก, ทากาทาทา็ทั่งรักษาศีลท่านไห่ตานท่านอะไรทั้งหมดเนี่ยขอบังเกิดเป็นบริวารของมาลาภาดีเทพบุตรอย่างเดียวก็ที่จีบรักษาศีลในตัณหาแต่ศีลก็คือศีล น, นะแต่เพียงตัวกระตุ้นมันมีตัณหาอยู่คือไม่ได้มองในแนวที่เป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่ควรจะเสริมสร้างขึ้นเป็นหลัก แต่ว่าให้ความต้องกานั่นแหละเตรียมแต่ว่ารองลงมาทีนี้ในกรณีของทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นความเห็นก็อาจจะเห็นดีก็ได้นะเห็นไม่ดีก็ได้แต่ในที่นี้ก็ถือว่าเห็นไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัญหามานาทิฏฐิพวกนี้ก็จะเกิดร่วมกันบางทีเราจะเห็นว่าในกรณีของการรักษา ศ, าศาีลจะมีการตีความที่ปัญหาในพระศ า, ศาสนานี่เกิดขึ้นในเรื่องเราเนี่ย เกิดขึ้นอย่าทิฏฐิบางทีก็ดื้อรั้นไม่เหตุผลอะไรเราอ่านเอกสารสมัยก่อนเนี่ยคือบางทีพระไปเถียงในเรื่องกีวรผ่มยังนั้นห่มยังนี้อะไรใล้ๆจะตายไม่ตายแหละเอาแต่ว่ามันเคยมีคือพระที่อังกฤษเนี่ยท่านออกแบบกีวรมาก็ดูแลวคล้ๆกับเสื้อคลุมเสื้อคลุมพระจีนนะพระจีนพระยวนเนี่ย แล้วท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็เรียกอาตมาไปบอกว่าไปดูซิปัญหาเรื่องกิวอนเนี่ยมันถ้าเป็นอย่างนี้จะได้ไหมอาตมาบอกว่าถ้าจับหลักพระวินัยจริงๆเนี่ยพระเจ้าวางไว้สองคำนั้นเองสองประโยคนะให้นุ่งห่มให้เป็นปริมุนทนอย่านุ่งห่มอย่างคือหักถ่าดัน แต่ว่าในกรณีที่สมมุติจะถูกโจมต้นถูกมีอันตรายเนี่ยเอาผ้าแบบกระดาษปะนุ่งก็ได้ห้ามไม่ให้เปลือยกายเอาใบไม้อะไรไรมาปกปิดร่างกายก็ได้แล้วก็สีสีที่ห้ามเนี่ยพูดะว่าสีที่ห้ามคือสีนองนั่นคือสีอนุญาตสีอนุญาตเนี่ยมันจะเยอะตอนจะพูดสีที่ห้ามสีเหลืองสีแดงสีแสดสีขาวสีดําสีชมพูอ่าเป็นสีต้องห้ามสีอื่นก็ถือว่าอนุญาตแต่เราก็ไปยึดติดในรูปแบบ อะพอค่มไม่เหมือนเราแล้วโอ้โหจะตายไม่ตายแล้วมันไม่มีใครถูกผิดอ่ะก็ถูกทุกคนนั่นแหละจะข่มยังไงก็ได้นุ่งข่มให้เรียบรอ้อยอย่านุ่งข่มแบบชาวบ้านเท่านั้นเองทีเจ้าวางไว้เนี่ยะแล้วก็จับหลักตรงนี้ให้ได้เวเนี้เราก็มาตั้งประเด็นเล็กน้อยแล้วก็ถือรันด้วยอำนาจของทิช ก, กันตอนที่มองกันเหมือนกับไม่ใช่พระ คือไม่ได้ดูว่าจิตมันไม่สงบนะมองเพื่อนอย่างนั้นน่ะจิตมันไม่สงบมันมีมานะความถือตัวมันมีอติมานะดูหมิ่นคนอื่นนะรักษาศีนแทนที่จะสงบมันไม่สงบอ่ะมันมีตัณหามันมีมานะมันมีทิฏฐิคือถ้ามีตัณหาแล้วก็ต้องเกิดมานะหมายความพอเราได้ตามตัณหาเราเกิดมานะมานะก็มีทิฏฐิตามมาเพราะไ้ตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยก็ไปไหนมาไหนเดียวกัน เป็นปัจจัยเสริมเช่นกันอะกันทีในลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ปฏิเสธร่าไม่เป็นศีลเพียงแต่ว่าเป็นศีลที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันไม่สงบเช่นสมมติ เ, มเรารักษาด้วยตัณหาอย่างนี้รักษาด้วยตัณหาพอไม่ได้เนี่ยทอไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้มันจะเกิดโทสะหรือเกิดโศก เห็นไมถ้โทสะบางก็เป็นสมุทยาาัยสะถ้าเป็นโสกะก็เป็นทุกขะสะอ้าวราษฎร์ศีนอะไรแทนที่จะออกมาทางนิโรตะสะมันก็กลายเป็นพวกสมุทัยสะกับทุกกะสะไปคือถ้าเราเอาเกณฑ์ของอริยสัจจับนะฮะเอาเกณฑ์อริยสัจจะเพราะธรรมะทั้งปวงที่จริงมันเป็นอริยสัจนะนั้นแล้วก็ตรวจสอบนะในตรวจสอบที่จิตเอาเกณฑ์อริยสัจเข้าไปจับมาทําอย่างนี้ผลมันออกมาเป็นอะไร จตว่ทาทําความดีแต่ว่าผลมันออกม า, ว, า, ม า, ามมว่านั่งสมาธิเอาสมมุติว่านั่งสมาธิเนี่ยแต่ออกมาในรูปว่าอยากสร้างนั้นอยากสร้างนี้อยากได้เงินเท่านั้นเท่านี้อยากได้ที่ดินเท่านั้นเท่านี้อยากได้คนนับถือเท่านั้นเท่านี้แล้วมันสงบเลยมันสงบเละมันมีแต่โลภมันมีแต่ตัณหาและสมาธิอะไร สมาธิมันเพิ่มกิเลสไม่มีที่ไหนสมาธิมันต้องมีมิจฉาสมาธิแล้วมันไม่จะตา ม, มาส ม, มาธิเห็นไหมมันไม่มีความสงบเข้าถึงภายในเพราะว่าลักษณะของสีเนี่ยมันมีจุดถึงก็เรียกว่าสมาธิสังวรติกาคือจิตมันต้องน้มน้อมก็หาความสงบไปโดยลําดับมาลองสังเกตนะลองสังเกตว่าสมมุติว่าเรารักษาศีลทั้งจุดหนึ่งเนี่ยหลายปีมาแล้วนะอ่านข่าวเล็กๆแต่ว่าก็ชอบเล่าตัวเนี่ย เกมาประทับใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ที่ยิงทุกวันกงไม่ใช่เด็กแล้วมันนานแล้วนะคือเธอไปเจอเงินที่วัดเบญจมาภวพิดตอนอากาศโผลเ พ, รพรแล้วนะเป็นกระเป๋าเธอไปเที่ยวแล้วก็เห็นวามองซ้ายมองขวามเม้นคนก็เกิดสงสัยก็ไปเปิดดูปรากฏว่าเป็นเงินจำนวนถึงสมัยนั้นนะสามสิบกว่าปีแล้วก็สี่หมืนห้า นังสือพิมพ์ลงข่าวไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่เราอ่านแล้วเราก็ถึงเธอตามไปจนตามชื่อในกระเปานะ๋านาตามไปถึงบ้านแล้วก็คุยสอบถามก็ศึกษารายละเอียดในกระเป๋าไปแล้วนะเห็นว่าคำตอบโจมดก็อันนี้คงลุมใช่ไหมก็อบอกว่าใช่คนนี้ก็ดีอกดีใจนะฮะขอประกอบใจใหญ่ สอบถามชื่อก็ไม่บอกถามบ้านก็ไม่บอกถามโรงเรียนก็ไม่บอกยกมือลายกมือไหว้คนนี้แกสืบ อ, อยู่ตั้งเป็นเดือนนะฮะมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าจําไอ้ปักเสือ้ออักษรที่ที่เสื้อได้แล้วก็นําไปสู่การให้รางวัลเยาวชนดีเด่นคือบ้านชอบประโยคคิดกันเถอก น้อซึ้พงก็ไปสอบถามว่าทำไมน้องไม่เอาเซ็เองล่ะเงินต้องเยอะที่น่าคิดก็คือว่าเธอเป็นลูกแม่ค้าขายขนมจากอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมันซึ้งมากนะเด็กแม่ค้าขายขนมจากลูกสาวแม่ค้าขายขนมจากเธอตอบเนี่ยมันมันซึ้งมากเธอตอบว่าแม่หนูสอนไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษมีนซึ้งมากอนะ่ะ เห็นไหมจิตมันซึ่งหมกจากโลภะเห็นเงินขนาดนั้นเราเป็นส ง, งบจากโลภะสแสดงว่ามีสีจริงไม่ใช่เลยสีแล้งทำนะฮะมีธรรมะไปแล้วนั่นก็คือสีไมนจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นการตรวจสอบแล้วมันก็ตรวจสอบดูว่าคือการรักษาสีนเนี่ยเขาสรุปว่ากิเลสมันต้องลดแล้วก็ความทุกข์มันต้องลดด้วยเพราะอรเพราะว่าความทุกข์มันมาจากกิเลสมันกิเลสมันลดความทุกข์ต้องลดด้วย เหมืออมือมือนอาการไม่สบายเนี่ยมันสงบลงไปแสดงสมาสมุทฐานมันต้องสงบด้วยสมุทฐานให้เกิดโรคเนี่ยมันต้องสงบโดยอาการจึงสงบแล้วก็หมายความยังไงหมายความว่าความสบายมันเพิ่มขึ้นด้วยก็แสดงว่าแสดงว่ายาที่รับประทานเข้าไปนั้นให้ผลมันก็เลยมองได้ทั้งสี่มุมเห็นได้ทั้งสี่มุมคือเห็นทั้งการเพิ่มและการลดมันต้องเห็นอย่างนั้นตลอด ทีนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นคือเห็นเพิ่มทั้งสองอย่างนะอย่างหนึ่งเป็นโลภะและอย่างหนึ่งบอกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เลยไม่มีทางเลยนะเกิดไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าธรรมะเพิ่มแล้วโลภะเพิ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าธรรมะเพิ่มในโลภะต้องลดหรือว่าโทสะไม่ใช่คือเมตตาเพิ่มเนี่ยโทสะต้องลดพยาบาทต้องลด อันนี้คือเป็นสูตรของของธรรมะหรือของศีลก็ตามเป็นการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้ยเราเน้นสังเกตว่าเป็นปรามัตถศีลคือศีลที่ตัณหาและก็ทิฏฐิเข้าประกบนะคือคุมถูกคุมด้วยตัณหาและก็ทิฏฐิก็แสดงว่าศีลของท่านไม่ไม่ประนีตพอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่นอ้อมก็าหาสมาธิมันอาจจะตะเลิด ไแต่ว่าปฏิเสธความมีศีลไม่ได้นะฮะกรทั่งก็มีศีลแต่ความมันไม่ปรณิตแต่ันเองก็ต่อไปเขาเรียกว่าอัปารามาัตตศีลคือศีลที่เป็นนวยวะเครื่องปรุงมรของปุถุชนและศีลที่สัมปยุทธด้วยมรของพระเศขาบุคคนะหมายความว่าศีลที่ทำให้อาริยมรสามข้อนะฮะสามข้อของเราเนี่ยเอาขนาดสามข้อก่อน สัมมาวาจาสมากมมันตะสมัมมชิวาเนี่ยมันประณีตขึ้นหมายความว่าอะไรล่ะสมมุติว่าสมมุติข้อที่สองก็ได้นะสมมติข้อที่หนึ่งก็ได้เออสัมมาวาจาเนี่ยคือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูด ส, ส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพื่อเจือเรียวไหลทีนี้มันมันมันเดินไปได้ไหม ในตัวเว้นจากพูดเท็จเนี่ยมันเดินไปสู่สัจจะได้ไหมพูดเฉพาะคําสั์แล้วก็คําพูดสอเสียดเนี่ยมันเดินไปสู่เมตตาต่อคนที่เราพูดถึงได้ไหมก็กลายเป็นเมตตาวาจาหรือว่าการพูดคำหยาบเนี่ยมันพัฒนาออกไปเป็นหมดเป็นไม่หยาบก่อนนะแล้วก็กลายเป็นปิยะวาจาได้ไหม หรือาคำเพื่อเจวเหลือหลเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นประโยชน์ได้ไหมเป็นคำพูดที่มีประโยชน์คือวันก่อนได้ฟังเราเตอรสังเกตอ่อนไม่มนนะท่านจำพภาดท่นาทนบอกว่าไอ้พวกเกมโชว์ตั้งหลายในรายสายละนะไม่เกิดประโยชน์อะไรในรายการโท ร, รทัศน์ทีวีก็ที่จริงๆนะแต่อย่าลืมว่าเราเตรสังเกตเขาเป็นด็อกเตอรนะ เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักประาการที่ดีทีเดียวนะแล้วก็มีกุศลและเจตนาจะ ท, ทำงานพุทธศาสนาโครงการก็ใหญ่โตมากมาอย่างนึกว่าเราไม่มีวาสนาบา ร, รมีนะถ้ามีวาสนาบา ร, รมีก็จะช่วยส่งเสริมเขาให้ทำสารคดีที่เกี่ยวกุบศาสนาทั่วโลกมาเผยแพร่นะฮะแบบที่รายละ n อ k ยเ็อเขาทำนะ่ะก็จะเป็นประโยชน์มาก แต่มาฟังแล้วมาคิดคิดว่าเออคนมันก็หลายพวกนาะคือคนพวกหนึ่งเนี่ยเขาชอบอะ่ะแล้วถ้าโหวตจริงๆเนี่ยเราแพ้เขานะเราแพ้พวกเด็กๆแพ้เยวาวชนเอาเกมโชว์นี้เป็นยังไงเนะี่ยลองออกโพลให้ดูสิก็ออกเราดูก็ได้เราแพ้นะฮะเวลานี้ยยังนึกว่าแม้แต่วารินไทยนยเราถามว่าคนมีหรือไม่มีเนี่ยเอาข้อจริงถ้าโหวตเนี่ยส่วนทวนหนึ่งอาจจะแพ้ก็ได้ คนแก่ก็วางเฉยและช่างก็เจ๊คนหนึ่งก็อาจจะสงสารเด็กเลยเห็นด้วยกับเขาแล้วก็ผลท้ายประโบก็จะแพ้เพราะในความหลากหลายในเรื่องตรงนี้ยเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่ายังไงยังไงก็ให้งดเว้นก่อนนะนะงดเว้นการพูดเท็จไว้ก่อนเอาสักข้อก่อนเอา้างดเว้นสักข้อก่อนเพราะอะไรก็เคยสังเกตนะฮะ ถ้าไม่พูดเท็จได้ก็คือไม่ส่อเสียดเพราะคําส่อเสียดมันคําเท็จครับคหยาบก็เป็นคําด่าคําเท็จคำเพอ้อเจอ้อในยิ่งเท็จใหญ่เลยทีนี้ก็จับไว้คาเดียวไม่เท็จเพอถ้าเข้าถึงสัจจะแล้วก็เรียบร้อยเป็นผู้ข้ออื่นก็ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเขาจะอะไรสำนวนวิชาการปัจจุบันเขาเรียกบูรณาการเขาเองอบูรณาการเขาเองโดยธรรมชาติของเขา สิงก็เหมือนกันก็บุญนาการเขาเองเราไม่ต้องไปนับไปบรรพุนหรอกแตดีคำใหม่นะบุญนาการนี่มาหลายปีคนไทยเรามันไปเขื่อคคำฝรัง่งเวลานี้ก็อะไรละ่ะเขาเรียกว่ากำมังกำมั ง, ก, งก็มาจากไอเดียกับอีโมชันนนะะแล้วก็อธิบายกันเป็นคุ้งเป็นแพร่เลย มันไม่มีอะไรนะเพรานีอะไรเลยที่จริงก็คือปัญญาระดับจินตามายะปัญญากับภาวนามยะปัญญานั่นงแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่พยายามคิดแบบแบบของเราแล้วก็เอาของขลังเข้ามาคิดแล้วก็บอกเขาวันก่อนเนี่ยไปบรรยายพวกสภ า, าการษาก็นักพิจากาาชั้นเยี่ยมมันนั้นเนี่ยนะประมาณสามสิบคน ส่วนใหญ่ก็เป็นด็อกเตอร์นะะเราบอกว่าอาจารย์ลองจับประเด็นว่าบูรณาการมันคืออะไรคือทําให้สมบูรณ์อ่ะมันเป็นเป็นในหนึง่งนเดียวกันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันมันเหมือนเรารับประทานอาหารเนี่ยเรรับประทานอะไรก่อนก็ได้ของหวานก่อนก็ได้ะผลไม้ก่อนก็ได้อะไรก็ได้รับประทานก็ไปพออิ่มแล้วอาหารนี่มันจะลงบูรณาการมันเองในขางในอ่ะไปยุ่งหรือปลูกต้นไม้อ ย, อย่างเงี้ยมันบูรณาการมันเอง เราก็ปลูกมันก็แล้วกัน อ, อะไรมาปลูกก็ได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสมบูรณ์ของต้ม้จะเด่นนั้นเพราะฉนั้นเราก็มองที่เนื้อหาเขาอย่ามองรูปแบบหลอกประลุงรังจังเลยนะพอมองรูปแบบแล้วเนี่ยพอจับเนื้อหาได้แล้วมีศีลมันก็มีลักษณะอย่างเงี้ยว่าโดยเนื้อหาก็คือสงบแล้วสงบลึกขึ้นไปเรื่อยๆพอเรื่อยมันก็เชื่อมต่อเนะชื่อมต่ออย่างเงี้ยอย่างปฏิโมกษกับสังวรศีลกับอินทรีย์สังวรเนี่ยทตำรวจอินทรีย์กับ ปาติโมกับสงวรเนี่ยคือเราจะเห็นว่าอินเซียสงวรเนี่ยสมาหรับโยมเนี่ยมันเป็นธรรมะธรรัะชาวบ้านเนี่ยจะเป็นธรรมะแต่สมัครพระเนี่ยมันเป็นเป็นศีลเป็นศีลเป็นจตุ ป, ปาริสุทธิศีลหรือศีลสีสีหมวดของพระเนี่ยเพราะนพระสมมุติประมองของเขาด้วยความอยากได้ผิดศีลแล้วนะฮะต้องอบัตทุกฎหรือมองเพศตรงนั้นข้ามด้วยความกำหนัดอย่างเงี้ยปรบาบอภัติแล้วนั้นผิดศีลคือว่า มันเป็นกายกับจิตเป็นอาการเกิดอัมบัตินะเป็นนีะไรเกิดอมบัตเนะี่ยเป็นอาการกายกับจิตเฮ้ยวันก่อนได้ข่าวก็ข อ, ขอแทรกตัวนี้หน่อยนะคือว่าพระท่านมีพระฆ่าตัวตายรู้สึกว่าแถวเชิงเซาแล้วก็มีพระสังฆติการรูปหนึ่งมไม่รู้จะทํำยังไงพระฆ่าตัวตายเราจะไปรดน้ําศพท่านยังไงเราไปไหว้ยังไงท่านประราชิกแล้วมันเวรกรรมจริงจริงนะฆ่าตัวตายไม่ประราชิกนะครับ เป็นแค่ทุกกฎแต่นั่นเดงพ่านะฮะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ไม่ได้ประราชิกกับประราชิกค่าคนอื่นนะไม่ใช่ฆ่าเราเนะอันนี้ก็คือเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะไม่ไม่ค่อยศึกษาจะไม่ได้ตรวจสอบตรวจสานให้ดูสิเขาว่าอย่างไรที่จริงเลยเนี่ยมันเอกสารต่างมัคนค้นคว้าได้เยอะเลยไม่แน่ใจก็เปิดดูนะฮะปัจจัยบิดโดกเดียเด๋ยวนี้มันเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งเท่าไหรอ่อ่ะ ร้อยกว่าเล่มแล้วนะฮะทางอาจาาัจฉรกาะโดยเนี่ยเข้าอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วแต่มาอย่างใช้ไม่เป็นต้อตงการใช้ก็บอกให้พระจ้ากดให้ทุกทีก็ศีลตรงนี้มันก็เชื่อมขึ้นไปเรื่อยจนเป็นมรรคของปุถุชนแล้วก็ศีลที่สัมยุญด้วยมรรคของพระเสข เสกขะก็คือตั้งแต่ประโสดบันขึ้นไปนะถ้าในกรณีนี้นับจากพระโสดบันขึ้นไปจนถึงคือพระโสดบันสกิตาคาณาคาก็เรียกว่าเสขะแล้วก็พระหานั่งเรียกอาเสกขะคือมันเรียว่าสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยแต่มันลึกเข้าไปถึงจิตของท่านเพราะฉะเราเห็นว่าระดับของพระเสขะเนี่ยศีของท่านเนี่ยมันไปสึสยบตัวโลภโทสะโมหะหมด หมายความมาไม่มองด้วยความอยากได้ไม่มองด้วยความมาฆ่าปยาบาดก็แสดงว่าเข้าถึงใจลึกซึ้งไปถึงใจเพราะงั้นในในในความเป็นสมบูรณในความเป็นสัมมาวาจาเนี่นะสัมมาวาจารของท่านเนี่ยเร า, า, าก็เป็นสัมมากรรมันตสมาชีวสัมมาวยามะสัมมาสติสมาสมาทิสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาังกปัปะมันก็เป็นขึ้นไประนีลึกซึ้งขึ้นไปโดยลําดับแล้วก็ท่านเห็นด้วยตัวของท่านเอง ก็แสดงอะไรก็แสดงว่ามันเหมือนกับต้นไม้จะก็โตขึ้นไปโดยลำดับอนะแต่ก็ถึงจุดหนึ่งก็มีแกนไม้ออกกิ่งใบดอกผลแต่กิ่งก้านสาขาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อกับพระอเสขะบเขาขเรียกว่าปฏิปัติสัตธิศีลคือศีลที่มันสงบ ม, มันมีอะไรมายั่วให้อยากมากะตุ้นมาเร่งร้าวอะไรแ่อะไรก็ตามนะ มันก็ไม่ได้เกิดความคิดที่จะละเมิดศีล น, นะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระสุนทรเสบุตรเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยไป็จะเป็นอาการศีลมันมันไหลมาอย่างเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยขึ้นมาจนถึงเป็นอาเซฆาเลยก็ท่านรูปเศรษฐีก็ไม่ยอมว่าต้องการจะบวชพระแม่ไม่ยอมให้บวชในที่สุดตั้งประท้วงในการไม่กินข้าวพวกเศรษฐีจะวันนั้นเก่งไงประทวงในการไม่กินข้าวแต่นั้นเนี่ยพวกจะบวชกันะ และในที่สุดก็ออกบวชแม่ก็ส่งผู้หญิงสาวนี่ไปหาวิธีว่าใครสามารถจุกลูกชายได้เนี่จะให้เป็นลูกสะั้ยเลยผู้หญิงก็อาสากันใหญ่และท่านไม่รู้ตัวนะไปจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงมันปลอมเป็นอุปทากเลยนะแผนนารีพิกาตแล้วเนี่ยกาอุปทาธนบัรุงเรียบร้อยเป็นลูกศิษย์ที่ไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่สุดจิต จนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนิมนท์พระขึ้นไปสร้างสถานการณ์จนพระต้องขึ้นไปฉันข้าวบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วก็ประถากบัรุงก็ได้จังหวะเนี่ยนิมนท์พระฉันข้าพระกำลังฉันข้าวนี่เธอก็ชบชวาบก็เยื่อยวนด้วมายาจิตใจทำไมนั้นก็บอกมีทั้งสี่สิบแปดพระสุนทรสมุดพอร่วมผิดท่าแล้วเนี่ยเริ่มเจริญกรรมฐานเลยเห็นไหมศีนมาานาัแน่นมากศีนแน่นมากแล้วสมาธิก็เกิดแน่นตามกันไปเริ่มพิจารณาเลย จเจริญวิปัสสนานะครับมองภาพผู้หญิงจุดกลายเป็นศพไปได้ผู้เจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารพระเชตตะวันรับสั่งกับพระอานนท์อานนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระอนานนท์กราวทูลว่าใครจะชนะหลวงพุทธเจ้าค่ะบอสุนทรสมุทรจะชนะท่านจเจริญจนเป็นวิปัสสนานะรบรรลุมผลเป็นรทหารก็เหาะออกมาจากหน้าต่างเลยมองภาพหลวงพุทธเจ้าที่พระเชตตะวันแคนี้เห็นนะฮะมันก็เดินสีในที่จริงก็สีเนี่ย แต่ว่าศีลมันมันประนีขึ้นไปเรื่อยๆทรื่อมันมักมันก็ขึ้นตามก็มาเป็นแถวมาจนเข้าถึงเป็นอเสขะคือสงบโยวยวนยังไงก็โยโยนก็ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากโยโยวนก็โยโยนไปแต่มันเกิดเป็ความสงบขึ้นเพราะฉะตัวนี้มันก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปพร้อมเพียงแต่ว่าตรงนี้ท่านพูดถึงอริยมรรคท่านนั้นเองอริยมรรคกับศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันนั่นแหละนั้นก็คือเรื่องของศีลที่มันเริ่มต้นมา ก็เป็นบาตรเป็นพื้นฐานเราอาจจะงอนแงนคลอนแคนหน่อยนะตอนตอน้ตนๆ น, น, นะก็ว่ากันไปประเนีดึ้นไปโดยลําดับศีลที่บุคคลอบรมก็ทําไมมากแล้วจะทําสมาธิเกิดสมาธบิบุคคลอารมณ์ก็ทําไมมากแล้วก็จะเกิดปัญญาทีนี้พอปัญญาเกิดมันก็ชําระศีลสมาธิจนเข้าถึงความสมบูรณ์ก็เป็นอริยะ เป็นศีลของพระเสกขะหรือของพุทธเจ้าพระหันตั้งหลายเนี่ยพวกนี้เรียกว่าไม่ต้องสำรวมเป็นเคลื่อนไหวเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องแสดงอาการสำรวมระวังอะไรทั้งฝั่งสลายรารรวมมาโพิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอะงามไปบูรณนธรรมตงมีแต่แท่านผู้ฟังสลายโดยทั่วกันสวัสดี